วันเราก็มาฟังเรื่องของพระผู้มีพระภาคต่อไปเพื่อที่จะทำให้มองเห็นว่าออร่างกายของพระผู้มีพระภาคส่วนหนึ่งก็กรรมแต่งมานะกรรมแต่งให้มีลักษณะแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นออข้อความในลักษณะสูตรทีขณิกายปาติกวัตรกล่าวว่ากล่าวต่อจากที่แล้วดูก่อนพี่สูตทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในกำเนิดก่อน ละปาณาติบาตแล้วเว้นขาดจากปาณาติบาตแล้ว <Okay. S 1> นะก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าอย่างเดียวได้บุญไหมได้บุญไหมถ้าเราไม่ฆ่าเฉยๆนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ได้ไม่ฆ่าเลยถามว่าได้บุญไห ม, ย, ไมยังไม่พอใช่ไหมเพราะกุศลไม่ได้กล่าวว่านั่งอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรแล้วเป็นกุศลใช่ไหมเพราะกุศล น, นั้นได้แก่ถ้าเป็นกุศลศีลต้องเป็นหนึ่งเป็นตัวสังวร วีรตีเจตสิกเกิดขึ้นไหมขณะที่นั่งเฉยๆถ้าขณะที่นั่งเฉยๆนั้นวีรตีไม่เกิดกุลศลสีลก็ไม่เกิดถ้าบางคนก็บอกว่าเอ๊ฉันก็นั่งอยู่ธรรมดาของฉันเนี่ยนั่งดูหนังฟังเพลงไปฉันก็ไม่ได้ไปทําบาปทํากรรมอะไรมาไม่ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นเลยวันฉันก็มีสินสาถ้ากล่าวอย่างนี้ถือว่ากล่าวชอบไหมเขาอาจจะได้ว่าเขาไม่ไปเบียดเบียนแต่ขณะนั้นๆไม่ได้หมายถึงว่ากุลศลจิตเขาเกิดขึ้นใช่ไหม ขณะนั้นนั้นกุศลจิตเขาอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะจิตอาจจะเป็นไปกับโลภะโทสะโมหะทั่วไปทีนี้เราต้องเอาว่าขณะนั้นนั้นวีรติเจตสิกเกิดขึ้นไหมกุศลจิตเขาเกิดขึ้นไหมถ้าวีรติเจตสิกไม่เกิดนะกรุณาเจตสิกเกิดขึ้นไหมเพราะว่าเว้นขาดจากปานาติบาสนั้นแสดง ว, ว่าคนนั้นเนี่ยวางอาทยาวางสาตรามีความละอายมีความการุณาต่อสัตว์นะมีความเห็นใจต่อสัตว์อนุเคราะห์สัตว์อะ คืออยู่ในฐานะที่จะฆ่าได้แต่ไม่ฆ่าสงสายมันฉะนั้นศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นศีลเนี่ยส่วนหนึ่งอาศัยการุณาเจตสิกเป็นเป็นตัวเกื้อกูลกระตุ้นเตือนเหมือนกันส่วนหนึ่งบางคนอาจจะกรรมมสัสกามมากเห็นโทษของกรรมปัญญาตัวนั้นแหละจะทำให้เกิดโอตั ป, ปักสะดุ้งกลัวต่อบาปบางคนก็บอกอ๊้ศึกษามาธรรมะจนป่านนี้ยังมาฆ่าอีกเลอันนี้เขาเรียกฮิริเกิดมีกาลัง บางคนเนี่ยโอตะปะเกิดมีกําลังบางคนเนี่ยกรุณาเกิดแล้วก็มีกําลังอันในขณะก็ทําให้กุศลจิตเกิดขึ้นอันตัวศีลจริงๆจึงเป็นกุศลที่ปารบในการงดเว้นจึงจะเป็นศีลอถ้าไม่มีการงดเวน้นไม่มีการเจตนากุศลศีลจึงไม่เกิดเพราะนั้นกุศลศีลจะเกิดขึ้นได้หนึ่งอาศัยการสมาทานนะตั้งใจทําอ่ะขณะที่ตั้งใจในขณะนั้ น, น, นเป็น เป็นกุศลศีลเป็นวิรัติและอีกขณะหนึ่งขณะที่ประสบเฉพาะหน้าแล้ววิรัติเกิดขึ้นอ่าวีรตีเจตสิกจริงจะเกิดขึ้นถ้าธรรมดาไม่เกิดนะพอาเกิดเป็นบางครั้งบางคราวถ้าจะพิเศษเลยนะวีรตีเกิดขณะที่มรรคจิตผลจิตใครอยากให้วีรตีเกิดสักสามชั่วโมงก็เข้าพระสมาบัติสามชั่วโมงวีรตีก็จะเกิดสามชั่วโมงแม้แต่ฝันยังไม่เคยเลยนาะฝันมาเข้าพระสมาบัติยังไม่เคยเลย เพราะฉะนั้นการเจริญศีลขอ้อนี้ที่พระผู้มีพระภาคได้เคยทรงประพฤติมาแต่การก่อนที่พระองค์ทรงไม่ฆ่าตัดเนี่ยนะตะถาคตย่อมเข้าถึงสุขคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนธรรมสังสมพอกพภูนไพบูุญตถาคตคือพระองค์เนี่ยกุศ ล, ลกรรมประเภทงดเว้นจากปานาติบาสนั้นะพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมา พระองค์ได้ทรงประพฤติมาคือกุศลจิตอันนั้นนะทั่วไปบางทีนี่พอใช้คําว่าไม่ฆ่าปั๊บนะคิดถึงภาพนั่งอยู่เฉยๆอย่างเงี้ย น, นั่งร้องรําทําเพลงไปก็ น, นึกว่าชั้นมีศีลแล้วละขณะนั้นนั้นไม่ใช่นะต้องขณะที่ตั้งใจสังวรสำรวมระวังขณะที่ปารบในการงดเว้นกุศลศีลจึงจะเกิดขึ้นในขณะนั้นๆฉะนัน้นกุศลศีลตัวนั้นแหละที่พระองค์สั่งสม พ, อพ่อภูนภัยบู์มาก็ทําให้ พอเบื้องหน้าแต่ตายข้ากายแตกตถาคตครอบงามเทวดาเหล่าอื่นในเทวโลกด้วยฐานะสิท์คืออายุวันนะความสุขยศความเป็นอธิบดีรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะแล้วก็ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วนะไปอยู่ในสวรรค์ก็จุติมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้มหาปุริสลักษณะสามประการนะอันนี้สที่ไม่ฆ่าสัตว หรือว่าวีรตีเจตสิกหรือกุศลจิตประเภทมดเว้นจากการฆ่าสัตว์ทำให้พระองค์มีมหาปริศลลักษณะเกิดขึ้นสามประการด้วยกันอันหนึ่งก็คือส้อนพระบาทเนี่ยยาวส้นเท้ายาวงหมนมีพระองค์คุรียาวนิ้วมือเนี่ยยาวแล้วก็สามรวรากายเนี่ยตรงเหมือนกายพรหมนะถ้าใครไม่อยากหลังงอหลังคตก็ฆ่าสัตว์ตรงนี้ ในอัตถคถาท่านอธิบายดีมากว่าการงดเว้นจากปานาติบาตเชื่อว่ากรรมในที่นี้ชนทั้งหลายเมื่อจะทําปานาติบาตเหยียบด้วยปลายเท้าเพราะกลัวจะได้ยินเสียงเท้าไปฆ่าผู้อื่นเชื่อว่าคล้ายกรรมใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่เหยียบด้วยปลายเท้าเฉยๆเนี่ยขณะที่เหยียบลงไปในขณะนั้นเนี่ยมีผลนะไอ้เจตนาที่ทําให้เกิดการเหยียบ ที่ปลายเท้านั้นจะมีผลต่อเท้าด้วยต่อแต่นั้นชนเหล่านั้นคิดว่าชนจักรู้กรรมนั้นของคนเหล่านั้นด้วยเหตุนี้เป็นผู้มีเท้าโก่งในภายในโก่งในภายนอกมีเท้ากระยงปลายเท้าด้วนส้นเท้าด้วนนะก็คือคนที่ทำกรรมประเภทนี้มานิมิตที่เท้าจะให้เห็นทันทีเลยนิมิตตัวนั้นเป็นตัวประกาศกรรมของเขาว่าเออเขาทาเหตุประเภทนี้มานะ ก็โลกกับทั้งเทวโลกจงรู้ความที่พระตถาคตเสด็จไปด้วยปลายเท้าไม่ถูกผู้อื่นฆ่านะก็คือเป็นผลเป็นอนิสงส์ที่เกิดจากพระองค์เนี่ยไม่คิดฆ่าสัตว์อื่นนะเพราะฉะนั้นพระมหาปุริสลักษณะคือมีส้นยาวย่อมเกิดขึ้นชนทั้งหลายมีกายสูงจะไปฆ่าผู้อื่นเกรงว่าผู้อื่นจะเห็นจึงก้มลงไปฆ่าผู้อื่น อันหนึ่งชนเหล่านั้นคิดว่าชนเหล่านี้ไปฆ่าผู้อื่นอย่างนี้แล้วคนอื่นจงรู้กรรมนั้นของชนเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นจึงทําให้เป็นคนข่อมคนสูงสูงธรรมดาใช่ไพอคิดฆ่าเนี่ยก้มก้มก้ ม, ก, มก้มไปนะขณะทํากรรมนั้นพอเกิดมาหลังก็เป็นเหตุให้ให้ข่อมเลยในคือเรียกว่าเป็นอันนี้เป็นตราบาปไม่ใช่ตราบุญแน่นอนนะตราบุญก็ต้องสงางาผาเผย น, นี่อันนี้ตราบาปตราอากุศลแะเพราะเจตนาไม่ไร้ผลใช่ไหม ตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจตนามีผลเสมอไปเพะฉะนั้นเจตนานั้นแหะที่ก้มๆเดีไปฆ่าเขาก็ทำให้ค่อมเลยทาให้โค้งขึ้นมาหรือว่าเป็นคนแคะหรือเป็นคนที่การโลกพร้อมด้วยเทวโลกจงรู้ความที่พระตถาคตเสด็จไปอย่างนั้นไม่ถูกผู้อื่นฆ่าด้วยเหตุนี้เพราะฉะนั้นมหาบุริสลักษณะคือพระวรกายตรงเหมือนกายพรหมย่อมเกิดขึ้นใช่ไหม คือพระองค์ไม่เคยก้มก้มย่องย่อ ง, อง ไ, ปไปเพื่อที่จะฆ่าคนอื่นอ่ะฉั้นกุศลเจตนาที่ไม่ได้คิดทำให้พระองค์มีกายเหมือนกับกายพรหมอันหนึ่งชนเหล่าอื่นมีมือถืออาวุธหรือไม้ค้อนแล้วทำมัดฆ่าผู้อื่นชนเหล่านั้นคิดว่าชนจงรู้ความที่ชนเหล่านั้นถูกคนอื่นฆ่าด้วยเหตุนี้เป็นผู้มีนิ้วมือสั้นนิ้วเนี่ยสั้น มีมือสั้นมีนิ้วงอหรือมีมือแปรนะคนที่ทำกรรมมาประเภทใช้นิ้วในการประหัดกระหารคนอื่นใช่ไมก็จะทำให้นิ้วนั้นอะตามสมควรแก่แก่กรรมนั้นด้วยนะเช่นใครเคยเห็นนิ้วนิ้วคนเนี่ยมีหลากหลายนะถ้าถ้าเรารู้จักคนเยอะๆบางคนเนี่ยมีนิ้วถึงหกนิ้วกว่ามีนะบ า, นนนบางคนเนี่ยกุดไปทั้งสามนิ้วกว่ามีบางคนนี่ก็ด้วนไปทั้งเยอะกว่ามีเพรา ะ, ะนั้นมันเป็นนิมิต เป็นตราแห่งกรรมนั้นคนที่นิ้วงามๆก็แสดงว่าเหตุมาดีแสดงว่าไ อ, ไอความคิดร้ายๆแบบนั้นไม่มีแต่ถ้าคนคิดไม่ดีหรือไปทําเหตุประเภทนี้ไว้ก็ ก, ก็ทําให้นิ้วไม่งามขอนํา ม, มานี่นิ้วงอๆอยู่อันหนึ่งเลยแทําเหตแล้วก็จะว่าชาติที่แล้วเลยชาตินี้มาก็ฆ่าไม่รู้กี่ตัวแล้วปลาเนี่ยคืนเป็นสิบๆตัวเหมือนกันทำบาปมาเยอะอ้าไมรีบนี้เนี่ยตกนรกย่างไงเลยเนี่ยทำํำกุศลทุกวันเนี่ยก็ควนรกกันแหละ เนี่ยฟังข่าวคนโน้นก็ตายแล้วโอ้โหตายทีเป็นพันเนี่ยเออเราก็ตายเหมือนกันทีนี้ตายแล้วจะไปไหนนาะงั้นอันต้องรีบเจริญกุศลเอาไว้เยอะๆนะกุศลเนี่ยเป็นเหมือนมิตรแท้นะสหายแท้อากุศลเนี่ยเป็นมิตรมิตรปฏิรูปก็ว่าคนเทียมมิตรนัมือนกันอันอกุศลจิตพอเกิดขึ้นในใจเราก็มันกระซิบเรานะเหมือนกับเหมือนกับหวังดีกับเราแลยอะอย่างนี้สิอย่างนั้นสิพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยผลเนี่ยปอกลอกเราหมดตัวเลย หมดกุศลหมดบุญห ม, หมดธรรมหมดศีลหมดภาวนาไปทุกอย่างไม่ดีพระองค์นี้งดเว้นอย่างนี้จงรู้ความที่พระตถาคตเป็นผู้ไม่ถูกคนอื่นฆ่าด้วยเหตุอย่างนี้เพราะเหตุนั้นเพราะฉะนั้นมหาบุริษลักษณะคือมีพระองค์คุรียาวย่อมเกิดขึ้นนี้คือลักษณะคล้ายกรรมในบทนี้ก็ลักษณะสามอย่างนี้แหละเชื่อว่าลักษณะความเป็นผู้มีอายุยืนเป็นอันนี้สองแห่งลักษณะนั้น อันนี้ทงแห่งลักษณะที่มาจากการงดเว้นจากการฆ่ามีผลไม่ธรรมดาถ้าหากว่าผู้ที่มีมหาบุริษลักษณะคือมีส้นพระบาทยาวมีพระองค์คุรียาวมีพระวรกายดังกายพรมมหาบุรุษนั้นถึงพร้อมด้วยลักษณะเหล่านั้นหากครองเรือนจะเป็นพระราชาจักรพรรดิถ้าเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือมีพระชนมายุตั้งอยู่ยืนยาว คนที่มีลักษณะอย่างนี้เป็นนิมิตบอกโอ้คนนี้อายุยาวนะส้นเท้าบาดยาวนิ้วยาวมีกายเหมือนกายพรมเนี่ยนะอายุยืนว่าน้นทรงรักษาพระชนมายุยืนยาวไม่มีใครที่เป็นมนุษย์เป็นข้าศึกศัตรูจะสามารถปลงพระชนชีพในระหว่างได้นะคืออายุไม่สั้นนะั่นกันเถอะก็เรียกว่าปองรา้ า, รายฆ่ากว่าไม่ตายว่าน้น เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือพระชนมายุยืนตั้งอยู่นานรักษาพระชนมายุยืนยาวไม่มีฆ่าศึกศัตรูจะเป็นสมณะพราหมณ์เทวดามารพรมจะเป็นใครๆในโลกสามารถปลงพระชนชีพในระหว่างได้นะไม่มีใครจะไปฆ่าพระพุทธเจ้าได้พระเทวทัตกลิ้งเห็นก็ไม่พระองค์ก็ไม่ไปสะเก็เห็นก็มากระแทกพระบาทที่กระแทกพระบาทก็ด้วยผลของกรรมบางอย่างทําให้มากระแทกพระบาท แต่ว่าอย่างไรก็ไม่มีใครฆ่าพราะพุทธเจ้าได้เจตนาที่ไม่ดีนะแค่จะเอามีดมาขูดให้หนังของพระ อ, องค์ทะลอกหนังของพระ อ, องค์ก็ไม่ทะลอกเว้นไว้แต่ผ่าตัดในลักษณะรักษาอันผิวพรรณของพระ อ, องค์นั้นสมบูรณ์เพราะผลของกรรมประเภทนี้กรรมแต่งมาก็ทําให้ดีเพราะฉะนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะเหล่านั้นว่า ถ้ามหาบุรุษทรงทราบการฆ่าสัตว์ให้ตายเป็นภัยแก่ตนนะตอนแรกว่าเอ๊ะการฆ่าคนอื่นนี่ก็ก็เหมือนกับเราชนะใช่ไหมคนอื่นตายเพราะเราฆ่าเราคนชนะใช่ไหมเราเป็นคนอยู่ที่จริงไม่รู้ว่านั่นแหละขณะที่เจตนาในการฆ่านั่นแหละคือศัตรูภายในเกิดขึ้นในตัวเราคนอื่นเขาก็รับกรรมเก่าไปเราก็ทําเหตุใหม่เพราะนั้นการทําเหตุใหม่อันนั้นนี่เป็นเป็นภัยคําว่าภัยนี่เป็นชื่อของความ สะดุ้งกลัวหรือเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะฉะ น, นคนที่ฆ่าสัตว์ให้ตายนั้นอ่ะเป็นภัยแก่ตัวทําเหตุแห่งความสะดุ้งกลัวแล้วก็ทําเหตุให้เกิดความน่ากลัวต่อไปเพราะฉะนั้นท่านได้เว้นจากการฆ่าสัตว์อื่นแล้วนะกุศลจิตที่เกิดขึ้นเว้นจากปาณาติบาตเบื้องหน้าแต่มรณะได้ไปสู่สวรรค์เพราะกรรมที่ทรงประพฤติดีแล้วนั้นสเสวยวิบากแห่งผลกรรม ที่ทรงทาดีแล้วจุติจากสวรรค์เวียนมาในโลกนี้ย่อมได้พระลักษณะสามประการคือมีส้นพระบาทยาวหนึ่งพระกายเกิดดีตรงสวยงามดุจกายพรหมมีพระพาหางามแขนเน่างามมีความเป็นหนุ่มสวดทรงงามเป็นสุชาติสวดทรงเ่างามเลยนะหุ่นดีใช้ได้เลยเขาบอกว่าเทวดายังงามไม่เท่าเลยมีนิ้วพระหัสนิ้วพระบาท ยาวอ่อนดังปุยฝ้ายพระชนกเป็นต้นพ่อเนี่ยทรงบำรุงพระราชกุมารเพื่อให้มีพระชนมาายุยืนยาวเพราะพระองค์สมบูรณ์ด้วยมหาปริศลักษณะสมประการถ้าพระราชกุมารทรงครองเรือนก็จะให้พระชนชีพยืนยาวถ้าทรงออกผนวดก็จะได้พระชนชีพยืนยาวกว่านั้นเพื่อให้เจริญด้วยอำนาจและความสําเร็จนะก็คือถ้าอิทธิบาทนั่นนะพระลักษณะนั้นเป็นนิมิต เพื่อความเป็นผู้มีพระชนมายุยืนยาวด้วยประการดังนี้นะถ้าอยากอายุยืนก็อย่าไปคิดฆ่าใครกันแล้วกันอยากอายุสั้นนะบางทีแค่คิดฆ่าคนอื่นนะเขาฆ่าคืนเลยยังไม่ทันฆ่าก็เลยนคิดฆ่าบางคนคนก็เลยฆ่าคืนเลยมั้นแค่คิดจะเบียดเบียนสัตว์อื่นปั๊บก็เป็นเหตุให้อายุสั้นนะดูก่อนพี่สูทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในกัมเนิดก่อน เป็นผู้ให้ของที่ควรเคี้ยวของเคี้ยวก็คือพวกขนมทั้งหลายแหละแล ะ, และของที่ควรบริโภคก็คือพวกข้าวปลาอาหารของที่ควรลิ้มของที่ควรลิ้มก็คือพวกน้ำผึ้งพวกน้ำผึ้งพวกน้ำอ้อยพวกนี้เป็นของควรลิ้มแล้วก็ของที่ควรดื่มก็พวกน้ำปนานะทั้งหลายน้ำดื่มอันประณีตและมีรสอร่อย ตถาคตนั้นย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนธรรมสังสมพอกภูนภัยบุ์ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้มหาปริศลษณะนี้คือมีเนื้ออุมมก็คือมีเนื้อเนี่ยเต็มในที่เจสถานคือที่หลังพหัสทั้งสองก็มีมังสะอูมที่หลังพบาทคือหลังเท้าทั้งสองก็มีมังสะอุม ที่พระอังศาคือบ่าทั้งสองก็มีมังสาอูมที่ลำพระศอคือที่คอก็มีมังสาอูมพระมหาบุรุษทรงสมบูรณ์ด้วยพระลักษณะนั้นหากทรงครอบครองเรือนจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเพราะมีลักษณะอย่างนี้เนี่ยเมื่อเป็นพระราชาก็จะได้รับผลอันนี้คือย่อมได้ของที่ควรเคี้ยวเป็นพระราชาก็คือของเคี้ยวของบริโภคของเสวยเนี่ยเยอะเลย ของที่ควรลิ้มน้ําที่ควรดื่มอันประณีตมีรสอร่อยถ้าหากว่าออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือทรงได้ของที่ควรเคี้ยวของที่ควรบริโภคของที่ควรลิ้มน้ําที่ควรดื่มอันประณีตมีรสอร่อยถ้าออกบวชนี่พระพุทธเจ้ามีของฉันเยอะแต่ว่าจะฉันหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าเฉพาะของฉันเนี่ยคนเนี่ยเอาไปถวายบอกเป็นโกดังเลย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 เพลิดเพลินยินดีหรือว่าน่ารื่นรมอะไรเงี้ยนะวันณะก็คือป่าก็ไปอยู่ในสวนที่น่าเพลิดเพลินน่ารื่นรมมาในโลกนี้ย่อมได้มังสะอูม่มในเจ็ดแห่งที่ฝาบพระหัตต์และพระบาทอ่อนนุ่มบัณฑิตผู้ฉลาดในพยัญชนะและนิมิตได้กล่าวเพื่อความเป็นผู้ได้ของเคี้ยวและของบริโภคอันมีรสอันนะั้นเรื่องนิ้วมือเนี่ยดูปั๊บเนี่ยสามารถที่จะบอกนิมิตได้ว่าคนนั้นเนี่ย มีของกินเยอะหรือไม่เยอะนะเรียนตำราเขาบอกว่าตำราดูมือเนี่ยก็พอรู้นะว่าคนที่เขาศึกษาด้านนี้มาดูแค่มือเฉยๆเนี่ยรู้เลยว่าคนนี้หาพอกินหรือว่าไม่พอกินของธรรมาเนี่ยไปให้เขาดูบอกโอ้มืออย่างนี้ทําไม่พอกินแล้วเพราะงั้นเขาบอกพระพุทธเจ้าไม่ให้สะสมอย่งนั้นเพางั้นเขาเขาดูออกนะจริงๆอนะ่ะพวกนิ้วมือพวกอะไรเนี่ยเป็นเครื่องบ่งบอกว่านิมิตเป็นยังไงว่า ทำพอกินหรือว่าไม่พอกินลักษณะนั้นใช่ว่าจะส่องความแม้แก่พระมหาบุรุษผู้เป็นเครือขัดเท่านั้นนิ้วมืออย่างที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นคารวาสถึงพระมหาบุรุษออกทรงผนวดก็ย่อมจะได้ของเชี่ยวและของควรบริโภคนั้นเหมือนกันก็คือถ้าพระองค์จะฉันปุ๊บนีสมมติอาหารเนี่ยวางในบาตรเต็มเรียบร้อยปุ๊บเทวดาเนี่ยจะหยดโอชาทิพย์ลงไปแทรกหมดเลยแล้วพระองค์ก็จะฉัน พระ อ, องค์ก็จะได้ของที่ควรบริโภคนั้นเหมือนกันพระ อ, องค์ได้ของควรเคี้ยวและควรบริโภคมีรถอันสูงสุดบัณฑิตทั้งหลายกล่าวแล้วว่าพระ อ, องค์เป็นผู้ตัดกิเลสเครื่องผูกพันของครือส่าทั้งปวงเสียคือตอนหลังออกบวชก็ได้เป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าอันการให้ทานนี้ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันเนาะทานนี้เป็นบารมีไหมเป็นบารมีข้อที่หนึ่งคือทานบารมีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่ยังไม่ถึงฝั่ง อย่าเพิ่งทิ้งเรือซะก่อนนะ <c oughs> ก็บอกโอ้ฉันจะนิพพานแล้วทานก็นเลยไม่ให้เลยไปกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งคนที่เห็นโทษในวัด ต, ต่มากเท่าไหร่เครื่องอุ่นใจนอกจากทานเป็นต้นไปแล้วจะมีอย่างอื่นเป็นเครื่องอุ่นใจได้ไหมเพราะฉะนั้นการให้ทานเป็นต้นจึงเป็นเครื่องอุ่นใจไว้ก่อนใช่ไหมถึงจะไม่ได้รับผลคือมรรคผลนิพพานเพราะว่าอินทรีย์ห้ายังไม่แก่กล้าบริบูรณ์พอที่จะ บรรลุมรรคผลได้ก็ยังมีทานมีอะไรเป็นเครื่องเป็นเครื่องเกาะเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเพราะันในพระสูตรทั่วไปพระผู้มีพระภาคเวลาจะทรงแสดงธรรมพระองค์ก็จะแสดงในเรื่องของทานเนี่ยเยอะนะพระสูตรที่แสดงเรื่องทานเรียกว่าอนุปุพพิกถาพระองค์เนี่ยแสดงส่วนใหญ่เลยเป็นอนุปุพพิกถาถ้าแสดงกับประชาชนทั่วไปแต่ถ้าเป็นภิกษุนะ เรื่องขันธาตุอายตนะแต่ถ้าเป็นคารวะาก็เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาแต่คารวะายุคนี้ฟังแต่เรื่องปรามาัดอย่างเดียวเลยนะฟังเรื่องทานมากไม่สะดุดละฟังเรื่องปรามาตัตใหม่อยทำได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งขอฟังละก่อนนะได้บุญเยอะแล้วได้ฟังในขณะที่ได้ฟังได้คิดตามบ้างก็ยังดีแต่ถ้าหากว่าสามารถเอาความรู้เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตจริงๆได้เป็นของที่ประเสริฐมาก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 กรรมที่ให้ผลนี่มีสามสามอย่างใช่ไหมหนึ่งทิฏฐธรรมเวทนียกรรมกรรมที่ให้ผลในชาตินี้สองอุปชาเวทนียกรรมกรรมที่ให้ผลในชาติหน้าแสดงว่าชาติที่แล้วอ่ะถ้าชาตินี้นะของชาติที่แล้ว่ะถ้าหากว่าอัปราปริยะเวทนียกรรมก็คือเมื่อถอยหลังไปสามชาติที่แล้วอ่ะพวกนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมนั้นถ้าเรามองเปุ๊บเราจะมองชีวิตของแต่ละขณะแต่ละขณะออก แต่ถ้ารู้เรื่องกรรมอย่างนี้มากโอ้ฉันทํากรรมไปแล้วฉันคงได้ดีแน่เลยนอนเลยตื่นเช้ามาโอ้บุญมีอ่ะก็จะมีคนเอาอาหารมาให้กินละเมื่อคิดอย่างนี้ถามว่าเข้าใจเรื่องกรรมถูกไหมถูกไม่หมดถูกเหมือนกันแต่ถูกไม่หมดันะวันแรกๆเขาอาจจะมาให้กินก็ได้เขานึกว่าป่วยวันต่อๆไปอันนี้ขี้เกียจนี่วะอดเลยกันนี้เพราะเรื่องของกรรมนั้นศึกษาให้ดีเพราะว่ากรรมจะให้ผลต้องอาศัยหนึ่งกรรมจะให้ผลได้ หนึ่งอาศัยคติสองอาศัยอุปธิสามอาศัยกาละสี่อาศัยประโยคปัจจัยสี่อย่างนะกรรมในอดีตจึงจะให้ผลได้ถ้าไม่ประกอบด้วยกาละคติอุปธิประโยคะไม่ใช่ว่าอุย้ยนั่งบนบานสารกล่าวและกรรมจะให้ผลนะไม่ใช่พันจะต้องศึกษาเรื่องสอย่างนี้ให้ดีก่อนลวกันทีนี้ต่อไปดูก่อนพี่สูตทั้งหลาย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 อันนี้คือเรียกว่าอัถจาริยาการประพฤติให้คนอื่นเขาได้รับประโยชน์แล้วก็สามความเป็นผู้มีตนเสมอทฉะนั้นคนที่เกี่ยวข้องในลักษณะเป็นหัวหน้าคนนั้นน่ะจะต้องมีสังหาวัตถุสี่ประการ น, นี้อย่างเช่นพระราชาคำว่าพระราชาก็คือผู้ยังประชาชนให้ยินดีในสังหาวัตถุสี่นี้หรือว่าถ้าหาว่าทั่วไปผู้ที่เป็นหัวหน้าคนนั้นถ้าหากว่าขาดสังขาวัตถุสประการ น, นี้แล้ว เขาไม่สามารถที่จะเป็นหัวหน้าคนได้อย่างอุบาสกในสมัยก่อนนี้มีลูกศิษย์อยู่ห้าร้อยหรือว่ามีบริวารติดตามไปไหนก็ด้วยมีอยู่ห้าร้อยท่านในบริวารห้าร้อยนั้นน่ะพระผู้มีพระภาคก็ถามว่าทำไมจึงมีบริวารเยอะอย่างนี้บาสกก็เล่า ว, ว่าในบริวารของเขาบุคคลที่ควรแก่การให้บาสงนี้ก็จะให้ อาบุคคลบางคนแค่เขาต้องการเฉพาะถ้อยคาอันเป็นที่รักหรือว่าเรียกว่าปิยวาจาพูดดีด้วยกันก็พูดดีด้วยถ้าหากว่าคนไหนเขาอยากได้รับประโยชน์เขาต้องการคำปรึกษาเขาอยากให้เราแนะนำก็แนะนำเข้าไปคนไหนที่ว่ามีชาติเท่ากันมีตระกูลเสมอการก็อันนี้เป็นเพื่อนสนิทไปไหนไปด้วยกันอะไรด้วยการลักษณะนี้ความที่เขาประพฤติในสังขาวัตุสีนี่แหละ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 ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นมาแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้ซึ่งมหาปุริสลักษณะสองประการผู้ที่ประพฤติสังขหวัตถุสี่อันนี้ส์ของเขาก็คือฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทอ่อนนุม่มฝ่ามือฝ่าเท้าเนี่ยอ่อนนุม่มฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีลายเหมือนตาข่ายนะมีลายเป็นตะแกรงเป็นตาข่าย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 พวกกษัตริย์ที่ปกครองบ้านเมืองก็ต้องมีพราหมณ์เป็นบริวารมีเครือาบดีเศรษฐีเป็นบริวารมีชาวนิคมชนบทโหราจาย์มหาอมาตย์กองทหารนายประตูอมาตย์บริษัทเป็นเจ้าเป็นเศรษฐีเป็นกุมารพระราชาก็จะมีคนทั้งหลายเหล่านี้เป็นบริวารเรียกว่าผู้ที่ทําสังขาวัตถุสีลมากเกิดมาชาติหลังก็จะมีบริวารเยอะเมื่อมหาบุรุษนั้นออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้า ได้เป็นพระพุทธเจ้าจะได้อานิสงส์อะไรพิเศษเพิ่มเติมอีกบอกว่าเมื่อพระมหาบุรุษทรงพนวดเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ผลคือมีบริวารชนอันพระองค์ทรงสงเคราะห์แล้วเป็นอย่างดีบริวารชนที่พระองค์สงเคราะห์เป็นอย่างดีนั้นเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นอสูรเป็นนาคเป็นคนทังพระพุทธเจ้านี่ทรงสงเคราะห์เยอะนะ สงเคราะทั้งพิสุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคและคนทางเยอะทุกวันนี้ก็ฉันของพระพุทธเจ้าอยู่เหมือนกันคําสอนเหล่านี้ก็ของพระพุทธเจ้าแสดงว่าพระองค์สงเคราะ์เราไว้นะาไม่สงเคราะไห์ไหนปณิแย่แล้วอกุศลแลจิตเกิดแล้วปีนน้เพราะฉะนั้นพระองค์นี้สงเคราะห์พุทธบริษัทด้วยสงเคราะห์ทั้งอมนุษย์ด้วยพระองค์สงเคราะห์ด้วยอะไรบางคนควรช่วยสงเคราะห์ด้วย ข้าวของพระองค์ก็สงเคราะห์ด้วยของใช้อย่างเช่นภิกษุเนี่ยพระองค์ก็ควรสงเคราะห์ด้วยปัจใจสี่ใช่ไหมพระองค์ก็ทรงอนุญาตปัจใจสี่เอาไว้ให้พระภิกษุบางคนนี้พระองค์ควรสงเคราะห์ด้วยปิยวาจาด้วยการกล่าวถ้อยคําที่ดีคําที่ดีก็คือคําที่มีประโยชน์ก็คือพระองค์ทรงสแสดงธรรมแก่พุทธบริษัททั้งหลายดงนั้นพระองค์ก็ทรงสงเคราะห์พุทธบริษัททั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคารวาหรืออมนุษย์ทั้งหลาย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 ไม่ดูถูกดูมิน่นกุศลที่ประพฤติแต่ตรงกันข้ามพระโพธิสัตว์นั้นเป็นผู้ที่เคารพในกุศลที่ท่านบำเพ็ญมากเคารพในกุศลยามเกรงในกุศลจุติจากสวรรค์แล้วเวียนมาโลกนี้ก็เป็นพระกุมารยังหนุ่มแน่นงดงามย่อมได้ความเป็นผู้มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทอ่อนนุ่มความเป็นผู้มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีลายเป็นตาข่ายงามอย่างยิ่งและมีส่วน สวยน่าชมด้วยพระองค์มาสู่แผ่นดินนี้มีบริวารชนพระองค์ตรวจตราและสงเคราะห์ดีตรัดด้วยคําเป็นที่น่ารักสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลและความสุขให้ทรงประพฤติคุณงามความดีที่พระองค์ชอบเป็นอย่างยิ่งถ้าพระองค์ทรงละการบริโภคกามทั้งปวงเป็นพระชินะตรัดธรรมกถาชนะแปลว่าชนะพระพุทธเจ้าชนะอะไรเรียกว่า ภาพพิชิตามารพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชนะมารมารกี่อย่างมารมีอยู่ห้าอย่างพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ชนะมารห้าหนึ่งชนะกิเลสมารก่อนพระองค์นี้ไม่มีกิเลสมารโลภะโทสะโมหะตัวใดจะไปรบกวนสภาพจิตของพระองค์ให้ให้ราคาเคืองบ้า ง, งั้นจิตไม่เศร้าหมองอะ่ะก็บอกว่าจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเหมือนแท่งทองชมพูนุช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 เทวดาที่เป็นมาที่จะมาเบียดเบียนย่ำยีพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะทําลายพระองค์ได้สาอะไรอีกขันธรรมารขันธรรมารที่จะรบกวนสภาพจิตของพระองค์ให้ไม่เจริญกุศลเนี่ยเป็นไปไม่ได้เั้นร่างกายของพระองค์จะเหน็ดเหนื่อยจะป่วยยังไงก็ตามพระองค์ก็เข้าพระสมาบัติได้ขันนี้ไม่สามารถที่จะรบกวนพระองค์ได้อภิสังขารมาน บาปทั้งหลายแหล่หรืออกุศลทั้งหลายแหล่หรือแม้กระทั่งเจตนาที่เป็นกุศลเนี่ยที่จะก่อพบใหม่พระองค์ก็ละเด็ดขาดแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นละการเกิดแล้วเมื่อละการเกิดนี่ชื่อว่าละอะไรด้วยละความตายด้วยเพราะฉะนั้นละมัจจุมานเรียบร้อยแล้วเพรา ะ, ะนนชนะมารห้าได้นะห้าอย่างมีอะไรบ้างหนึ่งกิเลสมารสอ ง, สองเทวปุตตมารสาม ฐานธรมานสี่อภิสังขารมานสุดท้ายมัจจุมาลและไอ้มัจจุนี่ครอบงําเราหรือเปล่าข่าวสะเทือนใจเนี่ยเยอะนะ จ, จิตจิตเนี่มันใกล้ๆหูนั่นแหละนานๆเข้ามันก็ใกล้จมูกด้วยนะมันฟิดๆได้กลิก่นนะนเคยไปงานศพหรือเปล่ามันแหละได้กินด้วยอ่ะแล้วพระองค์เป็นพระชินะอย่างนี้พระองค์ก็ยังตรัสธทำมกถา ธรรมกถาที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงกล่าวทรงแสดงแก่ประชุมชนชนทั้งหลายก็จะสนองคําของพระองค์เลื่อมสายยิ่งนะักพระองค์นี้ทรงแสดงธรรมอย่างนี้แล้วประชาชนก็ทรงเลื่อมสายในในคําสอนของพระองค์นะครั้นฟังธรรมแล้วย่อมพากันประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมเออพระองค์เนี่มีความพิเศษว่าคําสอนของพระองค์เมื่อพระองค์กล่าวพระองค์แสดงพระองค์ตรัสไว้แล้วเนี่ย ประชาชนหรือประชุมชนทั่วไปก็ประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ท่านผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำอย่างบางประเทศนะบางยุคนั้นอะ่ะไม่มีปุตุชนแม้แต่คนเดียวเลยบางแห่งอย่างที่ศรีลังกาเนี่ยบางยุคเนี่ยเป็นพระริยเจ้าหมดทั้งเกาะเลยไม่มีปุตุชนแม้แต่รูปเดียวในในจํานวนพิสุเหล่านั้นเพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำคําว่าปฏิบัติธรรม ก็คือการเจริญศีลสมาธิปัญญานี่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตระธรรมการเจริญกุศลธรรมสมควรแก่โลกุตระธรรมเช่นการเจริญสติปัฏฐานสมควรแก่มร์หรือว่าการพิจารณาทุกข์สมควรแก่การรู้แจ้งอริยสัจขอเข้าใจน ะ, ะถ้าเป็นการพิจารณาเรื่องของทุกสมุทัยนิโรธมร์ จนได้ตรัสรู้จริงๆอ่ะเขาเรียกว่าพิจารณาจนสมควรใคร่ครวนพิจารณาเพ่งหรือปริญญาสามในขนันธาตุอายตนะจนได้รู้แจ้งอริยสัจอย่างเงี้ยเาเรียกว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่แก่ธรรมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ในธรรมะประเภทโสตาปฏิยังฆธรรมเาเรียกว่าเป็นธรรมะอยู่ในองค์ที่ทาให้บรรลุเป็นพระโสดาบันมีอยู่ อย่างนะธรรมะข้อนี้เนี่ยพูดบ่อยจะได้เป็นคาถากันนรกได้ไงเมื่อปฏิบัตินะไปท่องงยเฉยนี่ไม่แน่นะแต่ไม่แน่นะเป็นธรรมานุสติอาจจะได้ไปดีก็ได้ถ้าท่องด้วยศรัทธานนะอาจจะเป็นธรรมานุสติใช่ไหมหนึ่งโจตตาปฏิยังฆ่าธรรมคือหนึ่งหนึ่งนะสับปบุริสูสังเสวะก็คือการครบสัปปุรุษอันนี้เราครบไหมหนึ่งนะคนถึงไตรสารณาคมนี่ก็เริ่มถือว่าคบสัป บ, บุรุษแล้วนะ เพราะเราเป็นผู้ที่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นจรณะใช่ไหมและต่อไปอีกัจตุรรมะสวัสนะก็ศึกษาพระธรรมคําำคำสอนหรือว่าฟังพระธรรมคําำคำสอนอันนี้ก็เป็นองค์ที่สองสามโยนิโสมนัสิการะแปลว่าอะไรคะโยนิโสแปลว่าอะไรก็บอกว่าฉลาดคิดคิดยังไงฉลาดคิดก็คิดตามคําสอนนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านว่าขันห้าเราก็คิดเ อ, อ้อนี่ขันห้านะ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 ถ้าตัดสรุปเองโดยที่ไม่ต้องคิดตามที่ที่ได้ฟังมานะคนนั้นคือพระประเจกับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระสาวกทั้งหลายที่พบในพระคัมภีร์นะผู้ที่ตัดสรุปอริยสัจนั้นอนะ่ะท่านจะมีธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งในการตึกเพราะนั้นคำว่าพระหูสูตรนี้จึงไม่ได้แปลว่าฟังเยอะแยะมากายนะแต่ว่าฟังแม่คาถาสี่บาทคาถาสี่บาทก็คือหนึ่งคาถาหนึ่งคาถามีสี่บาทก็คือประมาณสองบรรทัด ฟังบทนั้นเนี่ยเข้าใจแล้วเอามาใคร่ครวรปฏิบัติจนได้บรรลุมรรคผลนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่เป็นหูสูตรแล้วเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำแล้วเหมือนพระพาหยะเนี่ยใช่ไหมพระพาหยะท่านฟังไม่มากแต่ท่านท่านเห็นในในคําสอนเหล่านั้นมากถ้ามีคนกล่าวว่าปฏิบัติธรรมนี่ทํำยังไงก็เห็นสักแต่ว่าเห็น อ่าอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวถูกไหมถูกไหมมันทําไมจึงไม่ถู ก, ถกอ๋อกลัวเขาจะแฝงหน้าเฉนะยๆเนอะทรายพูดอย่างงี้แปลว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นถ้าเป็นปฏิบัติถูกถ้าเขาทําได้แล้วได้ผลอเขาจะแฝงหน้าเพราะเรามาเรียนตั้งเยอะเราไม่ได้เลย อ, ะอ่ะอ่าไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> ถามว่าเออที่ถูกเป็นยังไงเห็นสักแต่ว่าเห็นนะถ้าเราจะคิดดูนะว่าผู้ที่ปฏิบัติทำนะเห็นสักแต่ว่าเห็นสีเท่านั้น ถามว่าการพ้นทุกเนี่ยพ้นด้วยมรคมีองแปรใช่ไห ม, มใช่เห็นสักแต่ว่าเห็นอยู่ในมรคข้อไห น, น<อ>ข้อ <ๆ S 2> ไหนเอาเห็นสักแต่ว่าเห็นหนึ่งเสัมมาทิฏฐิเลยนะเป็นกรรมมัสกตาสัมมาทิฏฐิไหมเอาต้องเอามาวิเคราะห์นะไม่ใช่เห็นสักแต่ว่าเห็นโอ้สีเท่านั้นแหละเสร็จแล้วโอ้ไม่เที่ยงเสร็จแล้วก็แค่นั้นโอ้ถ้าแค่นั้นมันก็มันง่ายไปเนาะแม้มันง่ายไปงั้นก็บรรลุกันหมดแล้วเพราะฉะนั้น ผู้ที่จะตรัสรู้ธรรมก็ด้วยมักมีองค์แปดนั่นแหละเห็นสักแต่ว่าเห็นเมื่อเห็นสักแต่ว่าเห็นปุ๊บเนี่ยเห็นเธอพึงทำศึกษาสักว่าเห็นใช้คําว่าศึกษาก่อนนะถ้าเป็นคําพูดที่สมบูรณ์เนี่ยเห็นเธอพึงทำศึกษาสักแต่ว่าเห็นศึกษาเป็นชื่อของสิกขาสิกขาสามเห็นศึกษาด้วยสิกขาสามเห็นยังไงเป็นศีลสิกขาใช่ไหมเห็นยังไงเป็นสี ไล่มาก่อนว่าศีลมีกี่อย่าง<ช>ความบริสุทธิ์ของศีนมีสีอย่างหนึ่งปฏิมโมกสังบอลสองอินทรีย์สังวรสามปัจจะยสรรันนิสีตศีนสีอาชีวปาลิสุทิศีนเออเมื่อเห็นยังไงแล้วศีลสีอย่างบริสุทธิ์เนี่ยในชั้นต้นเลยนะศีลสิกขาต้องเกิดก่อนหรือไม่คนนั้นต้องศีลสิกขาบริบูรณ์มาแล้วเพราะเห็ น, เ ห, นเห็นอย่างไรศีลสิกขาจึงจะ บ, บริบูรณ์ สมมุติมองเห็นปป๊บเนี่ยคิดค่ามีไมมอย่างเงี้ยใช่ไหมประเภทประเภทอะไรศีลประเภทข้อหนึ่งนะศีละสังวรจะเกิดขึ้นต่อไปสติสังวรเห็นยังไงใจไม่เป็นบาปอะ่ะเห็นยังไงใจไม่เป็นอภิชาและโทมนัสไม่ถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะก็คือเห็นแล้วกุศลกิจอย่างใดยังหนึ่งเกิดขึ้นได้ทีนี้ต่อไปเป็นปัจจยสานิสีตศีลเห็นยังไงแล้ว เศนข้อปัจจัยสี่จึงจะได้ก็แสดงว่าเข้าไปเห็นนี่เห็นอะไรศาสตะสัมปชัญญะจะเข้ามาเห็นในสิ่งนั้นๆและเกิดประโยชน์อะไรไมาต้องมีการพิจารณาตัวนี้เป็นอย่างดีแล้วต่อไปนะอาชีวะเห็นเหล่านั้นเกี่ยวกับอาชีพไหมถ้ารักษาได้บริบูรณ์ทั้งสี่อย่างนี้เป็นอาทิศีละสิกขาเห็นแล้วเป็นอาทิจิตตสิกขาได้อย่างไรในขณะเห็นถ้าเห็นสีใช่ไหมสีคือ สีคือรูปรูปมีสมุธฐานเท่าไหร่ถ้ารูปมีสมุธฐานสีแสดงว่าในสีนั้นน่ะมีรูปกราบเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่สีเนี้ยสามารถเกิดร่วมด้วยกับรูปทุกทุกกลุ่มทุกกราบในนั้นมีสีด้วยสีบางอย่างมีกรรมเป็นปัจจัยสีบางอย่างมีจิตทันการพิจารณาสีเหล่านี้นะ่ะสีบางอย่างเป็นผมเป็นขนเป็นฟันเป็นเล็บเป็นหนังเป็นเนื้อ พิจารณาโดยธาตุสี่เป็นต้นก็เป็นอธิจิตใช่ไหมเป็นอธิจิตหรือเป็นสมาธิอะคําว่าสมาธินั้นส่วนใหญ่จะนึกถึงอิรยาบด์คำว่าสมาธินี่เป็นชื่อยกตัวอย่างคือจตุธาตุววัฏฐานการพิจารณาธาตุสี่พิจารณาธาตุสี่ทั้งกายภายในและภายนอกพิจารณาปฐวีธาตุอาโปธาตุวายโยธาตาุเตโชธาตุธาตุสี่ปฐวีธาตุมีเท่าไหร่ จะไม่มีอะไรบ้างพิจารณาพวกนี้มากๆเจริญพ่อภูณนนิเป็นอธิจิตตะสิกขาเมื่อพิจารณาธาตุสี่นี้มากๆขึ้นจะเห็นว่าธาตุสี่เนี่ยแม้แต่ผมมีสมุทฐานสี่เริ่มไปหาเรื่องกรรมพวกนี้เริ่มเป็นเป็นประเภทยาตะปริญญาผมก็ไม่เที่ยงเป็นต้นก็เป็นตีรณปริญญาทีนี้ก็จะละวิปลาสในสิ่งเหล่านั้นได้ก็จะเป็น มหานปริญญาท่านปริญญาหรือสิกษาจะบริบูรณ์ได้ด้วยอาการอย่างนี้โ อ, โ อ, เ, อเห็นสัก์แต่ว่าเห็นก็นั่งกระพริบตาเฉยๆเอาเผื่อจะได้ดีกับเขามันไม่ใช่แค่นั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นในการเห็นการได้ยินปั๊บถ้าเป็นเป็นไปกับคําสอนนั้นต้องสองเคราะห์ลงศิกขาสามต้องสองเคราะห์ลงมัชชิมาปฏิปท า, าเพราะข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความพ้นทุกข์ได้แก่มัชชิมาปฏิปท า, าข้อปฏิบัติสายกลางคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้น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 แต่ไม่ธรรมดานะเขาบอกเอื้อมมือไปล้วงเพราะว่คกรพรม ย, ยังพอเป็นไปได้บ้างนแต่ก็คือสิ่งเหล่านี้นะถ้ามีศรัทธาถ้าประกอบด้วยธรรมะห้าประการคือศรัทธาศีลสุตตะจาระปัญญาแม้แต่ปรารถนาเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันหาอาสวะมิได้ก็สำเร็จประกอบด้วยหนึ่งนะศรัทธามีศรัทธาในคาสอนนี้ไหมอันดับแรกก่อน ศรัทธาในพระผู้มีพระภาคผู้สอนคําสอนอันนี้ไหมศรัทธาในคําสอนเหล่านี้ทั้งหมดไหมศรัทธาในบุคคลผู้ปฏิบัติจนพน้นเรียกว่าปฏิบัติจนประสบความสําเร็จมีภาษารีบุตรเป็นต้นแล้วไหมอันนี้เคเรียกว่ามีศรัทธาก่อนสองมีศีลกายวาจาของเรานี้อนุวัตตามศรัทธานี้ไหมต่อไปสุดตะฟังเรื่องราวเหล่านี้ดีพอสมควรใช้ได้ไหมสามสละอย่างอื่นที่ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ไหมแล้วก็สุดท้ายเข้าใจในเรื่องนี้จริงๆหรือเปล่าเรียกว่าปัญญาหันศรัทธาศีลสุตะจ่าค้าปัญญาธรรมะห้าประการ น, นี้บุคคลถึงตั้งความปรารถนาเพื่อให้ได้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ก็ก็สําเร็จระฉะนันก็ขอให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี่ก็ปิ๊งแล้วนะวิเตศและทีนี้ต่อไปดูก่อนพู่โซทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อน ในกำเนิดก่อนเป็นผู้กล่าววาจารประกอบด้วยประโยชน์ประกอบด้วยธรรมะแนะนำประชาชนเป็นอันมากเป็นผู้นำประโยชน์และนำความสุขมาให้แก่สัตว์ทั้งหลายและเป็นผู้บูชาธรรมะเป็นปกติอันพระโพธิสัตว์นั้นวาจาของท่านในพบก่อนนั้นเป็นวาจาที่ประกอบด้วยอัถะอัฐถนั้นเป็นชื่อของผล ธรรมะเป็นชื่อของเหตุเพราะฉะนั้นความรู้ในอัถาก็คือความรู้ในผลคําว่าอัถานั้นวันก่อนนี้อุตสาหบอกห้าตอบได้สี่เอาใหม่นะอัฐามีห้าหนึ่งอัาก็คือปัจจยุปบบันทุกชนิดเป็นอัฐาปัจจยุปบบันโอ้ฟังยากเหลือเกินนะเอาใหม่นะสิ่งที่เกิดจากเหตุทุกชนิดก็คือผลนั่นแหละหนึ่งนะ สิ่งที่เกิดจากเหตุก็คือผลนั่นแหละสองนิพพานสามเนื้อความแห่งภาสิทธิ์อัฐแห่งภาสิทธ์วิบากจิตและกิริยาวิบากกิริยาห้าอย่างนี้เป็นอัฐ ธ, ธ, ธรรมะก็มีห้าอย่างหนึ่งปัจจัยทุกชนิดตัวปัจจัยนี้เป็นธรรมะแล้วต่อไปอีกอริยมรรยมรรยมก็เป็น ธรรมะกุศลอกุศลก็เป็นธรรมะสุดท้ายนะภาสิทธ์คือคำพูดนี่เป็นภาสิท์เป็นธรรมะเข้าใจเนื้อความเลยความรู้ในเนื้อความเป็นอัตถเพรา ะ, ะนั้นพระองค์นี้เป็นผู้ที่สอนกล่าววาจาที่ประกอบไปด้วยอัตถธรรมะแนะนำประชาชนให้มากแนะนำในประโยชน์สุขแนะนำในประโยช น, น์สามแนะนาประโยชน์ใน พบนี้แนะนําประโยชน์ในพบหน้าและแนะนําในประโยชน์อย่างยิ่งคือพันิพานและพระองค์ก็แสแวงหาความสุขมาให้แก่สรรัตว์พระสัตวทั้งหลายแสแวงหาความสุขให้พระองค์นี่แสแวงหาความสุขให้แกสัตว์นี่แสแวงหายอย่างไงสัตว์ทั้งหลายเขาควรจะได้รับวัตถุจากพระองค์พระองค์ก็จะให้วัตถุสมัยที่เป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์นะถ้าสัตว์ทั้งหลายสมควรที่พระองค์จะให้ความเมตตาพระองค์ก็ให้เมตตา ก็คือบัมเพลนบารมีสิทธิ์ในสาภพสัตว์ทั้งหลายปัจจัยที่ทําให้พระองค์บําเพลนบารมีทั้งหมดก็คือเพราะอาศัยเมตตาอาศัยเมตตานี้ทําให้พระองค์มีความหวังดีปรารถนาดีต่อสัตว์เออควรให้ทานก็ให้ทานเสร็จแล้วพระองค์ก็รักษาศีลเพื่อที่จะอนุเคราะห์สัตว์เนคคัมมะก็คือสลัดออกเพื่อที่จะให้ประโยชน์สุขแก่สัตว์ได้มากขึ้น และพระองค์ก็เป็นผู้มีปัญญารอบรู้ในการช่วยเหลือกู้กูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระองค์นั้นเป็นผู้ที่สแสวงหาประโยชน์สุขแก่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมาตั้งแต่ชาติก่อนๆแล้วไม่ใช่ว่าตอนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเดียวและพระองค์นั้นเป็นผู้บูชาธรรมะเป็นปกติเป็นธรรมดาพราะฉะนั้นพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เคารพในธรรมมากที่สุดเลยก็บอกว่า มีครั้งหนึ่งพระพิสูุรูปหนึ่งกําลังแสดงธรรมอยู่พระองค์เนี่ยเสด็จมาพอดีเลยพระองค์เนี่ยยืนฟังยืนฟังเนี่ยเกือบสว่างทีนี้บอกพระองค์มาตั้งแต่เมื่อไหร่พระเจ้าข่าบอกมาตั้งแต่เริ่มแสดงนั่นแหละก็ยืนอยู่นั่นแหละบอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิบัติทำสิ่งที่ทําได้ยากพระองค์กล่าวบอกถ้าแสดงได้เป็นกับพระองค์ก็จะยืนฟังได้เป็นกับเหมือนกันอันพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เคารพทำที่สุดวันก่อนกล่าวถึงสีหาสูรใช่ไหม สีหะเนี่ยถ้าจะจับโดยที่สุดแม้กระทั่งแมวหรือกระต่ายนี่ก็จะจับอย่างแม่นยำไม่ผิดพลาดฉนันได้พระผู้มีพระภาคนั้นถ้าจะทรงแสดงธรรมแม้แต่แสดงกัดขอทานหรือกับนายพรานพระองค์ก็จะแสดงด้วยความเคารพอันพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เคารพรมบูชาธรมไม่ใช่เฉพาะชาติเดียวเท่านั้นมีมีอยู่สูตรหนึ่ง ในพระวินัยมีอยู่ข้อหนึ่งบอกพึงทำศึกษาว่าเราจัดแสดงธรรมแก่คนผู้ไม่เป็นไข่ยอยู่บนที่สูงกว่ามีวินัยอยู่ข้อหนึ่งในเสขีวัตธรรมเทศนาปฏิสังยุตมีอยู่ข้อหนึ่งถ้าคนแสดงเนี่ยต้องต้องเสมอกันกับคนฟังหรือสูงกว่าคนฟังเนี่ยได้แต่ถ้าต่ำกว่าเนี่ยไม่ได้พระ อ, องค์บัญญัติวินัยห้ามคือเรื่องเราก็มีอยู่ว่ามีมีพระเนี่ยแสดงธรรมแบบนี้พระ อ, องค์ก็เล่าว่ะเรื่องในอดีตเรื่องในอดีตนั้น ว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เคารพธรรมแม้แต่ในสมัยอดีตทีนี้ในอดีตนั้นมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งมีพระราชามีปุโรหิตทีนี้พระราชานั้นก็ปุโรหิตปุโรหิตหมายถึงอาจารย์ที่สอนอัดสรนธรรมพระราชาทีนี้พอไปสอนอัดสอนธรรมพระราชาก็ชวนกันไปสอนที่ใต้ต้นมะม่วงในครั้งนั้นเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยก็เป็นเป็นคนยากจนอ่ะนะในเมืองนั้นนั่นแหละทีนี้ภรรยาเนี่ยแพ้ท้อง ก็บอกว่าจะกินมะม่วงทีนี้มะม่วงมันไม่มีที่ไหนมีเฉพาะในสวนพระราชาอย่างเดียวอะ่ะก็ไปขโมยอะ่ะทีนี้ก็ขึ้นไปจะลักมะม่วงบนต้นนั่นแหละทีนี้พระราชาก็มานั่งอยู่ใต้โคนต้นมะม่วงนั่นแหละอาจารย์ที่สอนทำเนี่ยนั่งต่ํากว่าพระราชาพระราชานั่งสูงกว่าปุโรหิตก็สอนไปพระโพธิสัตว์นิทนไม่ได้เอ๊สองคนนี้ไม่เคารพธรรมเลยมั้ย เป็นโจรลักมะม่วงอ่ะลงมาจากต้นไม้มากล่าวว่าท่านเนี่ยไม่เคารพธรรมกันนะก็บอกว่าขนาดในชาตินั้นพระองค์ยังเคารพธรรมแล้วพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าจะไม่เคารพธรรมได้อย่างไรนั่นแหละแล้วพระองค์ก็อาศัยเรื่องนี้ยกเป็นตัวอย่างแล้วพระองค์ก็บัญญัติพระวินยัยว่าพระองค์ก็เป็นผู้ที่เคารพธรรมพระองค์ก็กล่าวด้วยนะว่าไอ้ลักมะม่วงก็ไม่เคารพธรรมเหมือนกันนั่นแหละมีในในในคัมภีร์นะในเสขียวัตรของพระ พระองค์ก็เลยบัญญัติพระวินัยว่าเพื่อทำศึกษาว่าเราจักไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ที่อยู่สูงกว่าเพราพระองค์นั้นเป็นผู้ที่บูชาธรรมถ้าตถาคตนี้ย่อมเข้าถึงสุขคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนธรรมสังสมพอกพภูนภัยบู์จุติจากโลกสวรรค์นั้นมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้มหาปุริสลักษณะสองประการคือมีพระบาทดุจสังควม แล้วก็มีพระโลมาโลมาก็คือเกษาผมโลมาขนทั้งหลายโลมานี่มีปลายช้อยขึ้นข้างบนทุกๆเส้นเลยปลายเนี่ยช้อยขึ้นบนหมดของเรามีแต่ลงหมดเลยพระมหาบุรุษนี้สมบูรณ์ด้วยลักษณะทั้งสองประการนี้ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิถามว่าเมื่อเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิจะได้รับอะไรขึ้น ผลพิเศษก็คือเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐเป็นประมุขสูงสุดดีกว่ามูชนผู้บริโภคกรรมในบรรดาคนที่เสวยรูปเสียงกลิ่นรสโพธะนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยจัดเลิศที่สุดกว่าบรรดาผู้ที่ได้เสวยถ้าอาหารมีอร่อยท่านจะได้รับอาหารที่อร่อยที่สุดอะไรที่มันดีๆท่านจะได้ดีที่สุดเพราะท่านเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในผู้บริโภคกะนี่นะถ้าไม่ออกบวช ถ้าออกบวชจะได้เป็นพระอาหารหันตะสัมมาสามพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้อีกคือเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้สูงสุดดีกว่าสัพพสัตไม่ว่าทุกเรื่องเลยนะพระองค์เนี่ยจะดีกว่าสัตทุกเรื่องเลยแม้แต่เรื่องธรรมดาคือรูปร่างกายรูปร่างกายนี้บอกว่าพระองค์นะถ้ามีบริสัทธ คือมนุษย์มานั่งพระองค์ก็เด่นกว่าในหมู่มนุษย์มีหมู่เทพมานั่งด้วยพระองค์ก็เด่นกว่าในหมู่เทพมีมหาพรหมมานั่งด้วยพระองค์ก็เด่นกว่ามหาพรหมนี้คือรูปร่างกายทีนี้ในด้านของคุณธรรมพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงที่สุดในบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าคุณธรรมนั้นคือศีลเราได้ยินนะอนุตตรโรอนุตตโรหรืออนุตระนั้นแปลว่า ไม่มีใครยิ่งกว่าอนุตราเนี่ยไม่มีอย่างอื่นยิ่งกว่าแล้วก็คือดีที่สุดเพราะงั้นจะไม่ว่าคุณธรรมอันนั้นคือศีลในบรรดาศีลเนี่ยพระองค์เนี่ยเป็นเลิศที่สุดเพราะว่าศีลเนี่ยจะเกิดด้วยเฮเรโอตาปะพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีเฮเรโอตาปะเป็นผู้ที่ละอายต่อความชั่วเกรงกลัวต่อบาปอากุศลมากที่สุดอันพระองค์เนี่ยมีศีลมากที่สุดสองสมาธิสมาธิเนี่ยพระองค์เนี่ย สมาบัติพระองค์เข้าวั น, วนๆหนึ่งเป็นแสนโกดเข้าสมาบัติเนี่ยสองล้านสี่แสนโกดเข้าสมาบัติโอ้มากมายมหาศาลนะแต่เฉพาะมหากรุณาสมาบัตินี่ก็ไม่รู้กี่ในต่อกี่ในอันพระองค์เนี่ยเข้าสมาบัติในเรื่องของฌานสมาบัติเนี่พระองค์เนี่ยเป็นเลิศที่สุดอันพระองค์จึงสา ม, มารถที่จะแสดงยมกปาฏิหารได้และในด้านของปัญญานี่ยปัญญาพระพุทธเจ้านี่มากที่สุด ปัญญามากไม่มากกว่าเราไปอ่านคมภีร์ดูนะอ่านจนอ่านไม่เข้าใจเลยอ่านจนเราบอกวทมีปัญญามากกว่เราอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแล้ววิมุตต์วิมุตต์ของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเช่นอย่างอารหัตตะมักอรหัตตผลของพระสาวกทั่วไปบางองค์ก็เป็นแค่เป็นพระสุขาวิปสัสสกบางองค์เนี่ยสูงขึ้นไปกว่านั้นเป็นเตวิชาได้วิชาสามบางองค์ได้อภิญญาหก บางองค์ได้ปฏิสัมพิทาสีบางองค์นี้ก็ได้สาวกบารมียาบางองค์ได้ปัจเจกครับพุทธเจ้าแต่วิมุตของพระองค์เนี่ยจะทำให้พระองค์เนี่ยได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยเหมือนกับผู้ที่ได้รับอภิเสกอภิเสกเป็นพระราชาจะได้ปกครองแผ่นดินพร้อมทั้งการอภิเสกนะสมบัติทุกชนิดจะเกิดขึ้นแก่พระเจ้าแผ่นดิน ชั้นใหนพระพุทธเจ้าพออรหัตตะมักดับปุ๊บอรหัตตะนเกิดขึ้นปุ๊บคุณมากพิเศษทั้งหมดที่ควรมีอ่ะนะบอกว่าในด้านของวิมุตเนี่ยทำให้พระองค์ได้รับหมดเลยปฏิสัมพิทาสีวิมโมกขุณธรรมเยอะแยะท่านอธิบายตั้งแต่พวกศรัทธามิริโอตปะสติสัมปชัญญะอ่ะนะสติประทานสีส ม, มัคประธานสีอิทธิบาทสีอินรีห้าพระละห้าเนี่ย คุณธรรมเหล่านี้มาบริบูรณ์ในพระพุทธเจ้าหมดเลยแม้กระทั่งพุทธธรรมทั้งสิบสี่อย่างก็เกิดขึ้นแก่พระองค์เพราะฉะนั้นพระองค์นี้จึงเป็นผู้ที่สูงสุดดีกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเคยได้ยินนะบันดาธรรมะทั้งหลายวิราคะประเสริฐที่สุดวิราคะเป็นชื่อของพระนิพานธรรมะทุกชนิดนะนิพานประเสริฐที่สุดบันดาสังฆตธรรมทั้งหลาย อริยมรรคประเสริฐที่สุดบรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสองเท้าสี่เท้าหรือเท้ามากเยอะแยะเหมือนกิ่งกื่งอย่างนี้ก็ตามหรือว่าอารูปประพรมก็ตามพระพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้ไ ว, ว้แล้วพระโบราณอาจารย์ได้กล่าวคาถาประพันธ์นี้ในลักษณะเหล่านั้นว่าถ้ามหาบุรุษพิจารณาก่อนจึงกล่าวถ้อยคําอันประกอบด้วย อถะประกอบด้วยธรรมะสแสดงกับประชาชนเป็นอันมากเป็นผู้นำประโยชน์และความสุขมาให้แก่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่ตรีได้เสียสละบูชาธรรมะแลว้วพระองค์ย่อมไปสู่สุขติบันเทิงอยู่ในสุขตินั้นเพราะกรรมอันพระองค์ประพฤติดีแล้วมาสู่โลกนี้ย่อมได้พระลักษณะสองประการ เพื่อความเป็นผู้มีความสุขอันอุดมถ้ามหาบุรุษนั้นมีพระโลมามีปลายช้อยขึ้นข้างบนและมีพระบาทตั้งอยู่เป็นอันดีพระมังสะและพระโลหิตปิดบังอันหนังหุ้มห่อแล้วและมีพระเหลาเบื้องบนงามถ้ามหาบุรุษนั้นหากครองเรือนจะถึงความเป็นผู้เลิศ กว่าพวกที่บริโภคกรรมไม่มีใครยิ่งกว่าพระองค์นี้ครอบงามชมภูทวีตเสียสิ้นหากพระองค์ทรงออกพนวดก็จะทรงพระวิริยะอย่างประเสริฐพระพุทธเจ้านี้จะเป็นผู้กล้าอย่างที่สุดถึงความเป็นผู้เลิศกว่าสัตว์ทั้งปวงไม่มีใครยิ่งกว่าพระองค์ได้